ปิโคปิขเวิคธัมเมสุธัมมานุปิวิหาราติยโสุอลิยสัจเจสโสุอาิยสัจเจสุ ต่อเนื่องมาทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยที่ท่านพูดถึงบทธรรมะยบทธรรมะบทธรรมะบทธรรมพิจารณาธรรมพิ่จรณาธรรมอริยสัจ ท, ทั้งสี่กตตสุอริยสัจเจสุนี่ จบอริยสัจทั้ง 4. สี่ท่านไล่มาตั้งแต่ทุกข์สมุทยมิโรดมักอันนี้เป็นข้อปฏิบัติในหลักอริยสัจสี่ซึ่งเป็นบทธรรมเท่ากับว่าบทปฏิบัติ ทุกบทก็ขมวดลงมาที่นี่ขโมยลงมาที่ทุกชี้มาที่ทุกทุกก็คืออัตภาพร่างกายของเราเป็นตัวทุกจิตใจของเราเป็นตัวทุก์พิจารณากายคือพิจารณาตัวทุกขพิจารณาก้อนทุกพิจารณา จิตก็คือพิจารณาตัวทุกข์พิจารณาก้อนทุกข์สนามทํางานที่ทํางานก็คือกายนี้ก็คือจิตนี้กายนี้กับจิตนี้เป็นที่ทํางานเป็นสนามทํางานกุฏิเจ้าท่านทรงแสดงสัญญักไว้จำมะ8ปดหมสพันพระธรรมขันธ์แต่ที่ทํางาน ก็คือกายนี้กับจิตนี้เพราะกายนี้เป็นตัวทุกข์จิตนี้เป็นตัวทุกข์แต่สาเหตุเกิดกายส า, สาเหตุเกิดจิตท่านชี้ไปที่สมุ ท, ทัยนุ่นลูกที่เจ้าสัง颂ตรัสแเรื่องทุกข์เหรออนุก็ทุกข์อันนี้ก็ทุกข์อันนั้นก็ทุกข์อันนี้ก็ทุกข์แต่ถ้าเราพิจารณาตามไปอีก เราพิจารณาตามไปอีกพระองค์ทรงตรัสต่อไปมาจากเหตุคือสมุทัยสมุทัยท่านก็ไล่ไปตามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาตันหามันมาแทะจิตกายตันหามันมาแทะที่จิตตันหามันแสะที่กายมันแสะที่จิต <c oughs> วันเหตุที่เราไม่ได้พิจารณาเหตุเราก็ยึดตัวทุกโดยปกติจิตของปูท้ทชนเรานี่มันติมตันมันไม่มีอะไรที่เชียชวนบอกให้พิจารณาเลยอย่งไ เ, เกิดทุกแม้แต่แม้แต่ตัวทุกแท้ แม้แต่ตัวทุกข์แท้ๆเนี่ยมันก็ไม่ชวนให้หมองพิจารณาตัวทุกข์ <c oughs> เรื่องอะไตัณหามันจะให้หมองหน้ามองตามแม้แต่ตัวทุกข์มันก็ไม่อยากให้มองมันก็มองมาด้วยความลุ่มหลมสารพัดมองมามาที่กายมองมามาที่ใจการตัณหาเพราะวะตัณหาว พ, พราวะตัณหา ก็คือพิษสงของจิตนั่นแหละมันไม่ใช่มีอะไรมาแทรกแซงมาแกล้งมาเข้าสิงมามาสร้างมาทำไม่มีมันเป็นพิษสงของจิตเสเองความทุกข์เกิดขึ้นมาจากเหตุความทุกข์เกิดขึ้นมาจากเหตุจริงไหมเกิดขึ้นมาจากเหตุจริงหรือความทุกข์กวาวตันหาเพราะว่าตันหาเพราะว่าตันหา นี่เป็นเหตุตัหาคือความอยากความอยากเป็นเหตุจริงหรือความอยากถ้าเราไม่มีความอยากเระหมดความอยากการจะยึดมั่นถึงมั่นในภพในชาติก็ไม่มียึดมั่นถึงมั่นในภพในชาติก็ไม่มีเพราะเราหมดอุปาทาน อุป า, ท า, ปาทานหมดก็เพราะความอยากหมดอันนี้ความอยากเต็มแปร่นหนวยใจของเราเพราะยัางทุกกิริยาการที่จิตมันพลิกแผลแสดงมาอุปาทานมั น, นยึดเอายึดเอายึดเอายึดเอาเอารู้ไม่เท่ามันรู้ไม่ทันมันอุปาทานมันยึดเอาสมุทัยยึดเอาตัณหานั่นแหละตัณหาม่แสดงตัวไนดะ้ การตัณหาอ้อตัณหาวิปวตันหาเราไม่ต้องไปแยกเรามาดูความอยากในใจของเราดูความอยากในใจของเรา ài, เราไม่ต้องไปแยกมันเราสังเกตได้เราจับได้ความอยากในใจของเราโดยเฉพาอย่างยิ่งเราไปเจริญสติเราจับได้ขณะดของจิตที่มันอยากแสดงวออกมา เอมท่านจับได้จับได้มันก็ไม่สิ่นต่อมันคล้ายๆว่าเป็นคลื่นคลื่นโรคระโลกแรกมามาก็มาประทะมันก็หยุดคลื่นประทะมาแล้วก็หยุดแต่ถ้าไม่มีสิ่งประทะเนี่ยมันจะตีระลอกไปเรื่อยๆระลอกแล้วระลอกอีกระลอกแล้วระอกนอ่นนะอ่าปะจน ไปสยบที่ฝังถ้าเราอะเทีย่ยวไปสยบที่ฝังบางทีมันไม่ใช่ฟังหรอกมันปรุงไปจนอิ่มจนพอแล้วมันก็หยุดไปเพราะมันเองแต่ถ้าเราเจริญสติสติตัวนี้แหละเป็นฝังสติ ค, ค, คือความระลึกได้ความสว่างสวัยของจิตของเราสติย้อนมาที่จิตของเราเราจะเห็นตัวสติตัวสำคัญอย่างตัวนี้ อันนี้แง่ของการปฏิบัติวิธีถือปฏิบัติเรามาใช้ได้ทั้งสมถะเราเมาใช้ได้ทั้งวิปัสสนาทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่ก็ต้องมีสติจำกับถ้าไม่มีสติํากับจิตมันก็ไม่อยู่พุโทโธมันก็ไม่อยู่ เอาพุโทโธมาลมันก็ไม่อยู่ถ้าเราขาดสติขาดความขาดสังขัญญาความรู้ตัวขาดความระลึกได้ว่าเราคือใครคืออะไรเป็นอะไรมันความร่มหลงมันมาปะมาทุมมาคุมมาเครืออยู่แต่ถ้าเราเจิอสติทุกระยะทุกเวลามันโปร่มาปักทันพรอ้อมมันมาพักทัน คือเพราะมันโผล่มาปั๊บมันมีสิ่งชนไว้มีสิ่งปะทะไว้มันมีสิ่งตัดตอนมันโผล่ขึ้นไปอีกไม่ได้ตัดตอนอะไรละ่ะตัดตอนถ้าเราไม่ตัดตอนอ่ะถ้าไม่ไม่เจอสิ่งที่มามากระทบมาตัดตอนเอาไว้มันปรุงปรุงปรุงป ร, งปรุงไปจนเกิดราตันหาราคะมาัน ถ้าเกิดความยินร้ายก็ุงปุงปรุ ง, ปงไปจกระทั่งอิจฉาทิศยาพยาบาทอาฆาตเคียดแทนฆ่าแกงกันนอนๆประงไปจน ส, สุดเส้นสุดสายของมันถ้าไม่มีตัวนี้มาเป็นตัวสกัดเอาไว้กั้นเอาไว้เรารู้ในขณะที่เราตั้งใจภาวนาทางมันไม่อยู่มันไม่มีสติกำกับอยู่จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเพราะไม่มีสติกำกับก็โทรหายไปไหนไม่รู้ พุทโธพุทโธหายไปไหนไม่รู้ดึงจิตเราไปใช้ที่ไหนก็ไม่รู้นี่คือขาดสติภาวนาไปภาวนาไปสติมันอ่อนโมหะมันกระเข้าเมื่อโมหะคร้าอวิชชามันกระอธอวิชชาคือความไม่รู้มันขาดหายไปเลยนะตัณหามันดึงเราไปใช้แล้วคลุมแล้วตัณหามันคลุมมาไปตีกินแล้วไปแช่แหลแล้ว ดยในขณะที่เราภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่กับอารมณ์เดียวถ้าเราพุโทโธด้วยเราจาะมาที่จิตของเราด้วยอันนี้เป็นมหาสติพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจาะมาที่ความรู้สึกจาะมาที่ความรู้สึกถ้าเราไม่จาะมาที่ความรู้สึกเราก็หลงยึดความรู้สึก ความรู้สึกดีดีใจมันก็นยึดความรู้สึกจิงดีดมก็ยอะความยึะรู้สึกจินร้ายมันก็นยึะเพราะเราขาดความรู้สึกขาดสติกำกับขาดความรู้สึกอันนี้เป็นมหาสติเราจะเอ า, าเระบทเดียวไม่ต้องย้อนมาพุณทโทคุณทโทให้มสงบอยู่กับคำว่าคุณโธเป็นเราองสมถะเราแยกมาผู้เฉยเฉยว่าสมถะว่าวิปัสสนา เราดูเวลาทำงานทำงานที่ใจของเราขอให้มันอยู่กับสมถะเถอะขอให้มันอยู่กับวิปัสสนาเถอะแต่วิปัสสนาแจ้งมันชัดขึ้นมากับอารมณ์อะไรที่มาสัมผัสที่จิตของเราแจ้งมันรู้เข้ามาเนี่ยวิธีวิธีทำท่านให้กำลังทุกพิจารณาทุกมันอย่างที่น้อตาท่านว่ากำหังทุกพิจารณาทุกย้อนมาดูสมุทัย ย้อมาดูสูงไทยก็ย้อนมาเพื่อให้รู้เท่าทันต่างนานที่มาสะเดงดที่ใจของเราถ้าเราไม่ทัน อ, อ, อวิชชาว่าครอบเพราะอวิชชาครอบวิชาคือความสว่างความรู้ก็หายไปไม่อวิชชาเดียวนัว่นแ่ะเราไม่ทันมันแร้มาฝึกภ า, นาวน า, า, าเราก็มาฝึกว่าจิตของเราเนี่มีสติแก่กล้ามีปัญญาแก่กล้ามีความอ่ำแฉ่ในการทํา ง, งาน เพื่อให้มันสูนลอยมาที่ใจขอเราความใจของเราไปใช้สมุดไทยการตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภวตัณหาเรานั่งสังเกตสังการดูความอยากของใจของเรามันจะเป็นการตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภวตัณหาไม่ต้องไปแยกเราคอยมาจับให้ทันว่าโอ้มันอยากอะไรมันอยากเป็นมั้ยมันหรือมันอยากเป็นกิเลสเช่นอย่างเราอยาก ท้องบนอยากสวดมนต์อยากภาวนาอยากบวชนี้ยนี่เป็นมัจอยากภาวนาให้ใจไดนะ้รความสงบอยากได้ได้ทำอยากได้มัจได้ผลอยากได้มิพานถ้ามันมีความอยากม า, มาในแง่นี้โอ้โหนี่เป็นมัจท่านให้ส่งเสริมท่านให้สนับสนุนแต่ถ้ามันอยากเพื่อราคะเพื่อตัณหาเพื่อดึงดินของเราไปใช้อย่างอื่นเพื่อโกรธเพื่อเกลียดเพื่ออิจฉาทิสยพยาบาท โอ้นี้เป็นสมุทยัยเป็นกิเลสเป็นเรื่องของตัณหาข้อสําคัญให้เราจับความอยากให้มันได้สักก่อนเพราะมันละเอียดนะความอยากในใจของเรามันละเอียดเราผู้ตั้งใจภาวนาเท่านั้นจับได้คนอื่นที่ไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจภาวนาจับไม่ได้ไมันรู้เลยมันสวมรอยมากินตีน <c oughs> กินเฉยเลยมันสวมรอยเข้ามาแล้วมันตีนกินเฉยดึงจิตไปฉุงจนเหลือแต่ซาดแล้ ว, ลวมันปล่อยกลับมาละ เพราะมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกป้องคลื่นมันตีประจนสุดแล้วล่อหมดแรงเข้ามาเดดด้วยเหตุที่เราเจริญสติเจริญสัญผัสมันโผลขึ้นมาปั๊บกระทบพอขึ้นมาปั๊บกระทบกระทบรู้ทันแล้วก็ตกไปกระทบรู้ทันแล้วก็ตกไปกระทบรู้ทันแล้วก็ตกไปดูความเป็นตัวเป็นตนดูความเป็นสัตว์บุคคลมีไหมไม่มี พรนั้ที่จมาสวมรอยให้เราไปยึดม่งให้เรายึดมั่งนสวมรอยไม่ได้มันถูกตัดซะ ก, ก่อนมันถูกตะถอนซะ ก, ก่อนนี่เป็นสมุนไพรมันมีโอกาสที่จะแทรกมาทุกขณะกิริยาการของความรู้สึกมันแทบมาที่ตาที่หูที่จ ม, มูกที่ลิ้นที่กายที่ใจ มันแทรกมาตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสความน้อมนึกในภายในใจของเรามันแทรกเข้ามาที่วิญญาณจากุปวิญญาณโสตวิญญาณฐานะวิญญาณชีวะวิญญาณกายาวิญญาณมโนวิญญาณคือความรู้แจ้ง่างตาเป็นโลกภาษาทางจพูดอิยตนาหอิยตนาภายในหก อายุธนะลายนอกหกเนี่ยเราต้องรู้จักนะอายุธนพลายในหกคืออะไรอายนุนพลายนอกหกคืออะไรมันม่อยู่ในกายของเรามันอยู่ในใจของเราวิญญาณหกคืออะไรเป็นอะไรถ้าเราไปเห็นโรครู้ชัดว่าโอ้โรคไหนนั้นไหน น, นี้นามนั้นนามนี้สีดำสีแดงโรคสิ่งนู้นสิ่งนี้จำได้กระตามจำไม่ได้ประตามอ่ารู้ชัดทางตาปรากฏชัดทางตา วิจัมันเป็นผู้เห็นตาเปิดเฉยๆใจเป็นผู้เห็นท่าเรียกว่าจับขูวิญญาณหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันทําหน้าที่เหมือนกันหมดโดยเอาอยายตนะภายนอกนเทียบเทียงอยายตนะภายในหกอยายตนะภายนอกหกมาเทียบเทียงมันมีวิญญาณหกมันมีพัสดุหกพัสดุคือความกระทบความกระทบ ที่มันเกิดแรงสะท้อนเมื่อมันกระทบปั๊บมันเกิดแรงสะท้อนแรงสะท้อนเข้ามาก็คือเวทนาที่เกิดสุขเวทนาทุกกเวทนาซ้อนมาอย่างหนึ่งทําให้เราินดีพอใจสะท้อนมาอย่างหนึ่งทําให้เราไม่ยินดีไม่พอใจหมายความว่าตัณหามันแทรกเข้ามาถ้าเราปล่อยไปตามนั้นโดยที่เราไม่มีสติกํากับควบคุมอยู่ แต่ถ้าเรามีสติกำกับควบคุมอยู่เวทนาสักจะว่าเวทนามันไม่ไม่ซึมไม่ทราบเข้าไปในใจของเราเวทนาความยินดีความเกลียดได้ไม่ซึมซับไม่ซึมทราบเข้าไปในใจของเราทําไมถึงซึมทราบเข้าไปไม่ได้เพราะมันมีสติมากั้นมีสติมีสามัญญามีปัญญามีสมาธิรวมอยู่ด้วยกันแหละนี่คือการทํางาน มันตื่นรูอยู่เฉพาะเราเราพยายามปลุกตัวนี้ให้ตื่นโรตื่นรู้อยู่ตัหาเสพก็มาไม่ได้มีตัวร้กาตัวเดียดนี่แหละที่มันดินดตินอยู่ในหัวใจของเราถ้าให้เราต้องได้รับความทุกข์จากมันมันเป็นตัวสมุทัยก่อเหตุให้ทุกข์มีกายก็คือนี่คือก่อนทุกข์มีใจก็นี่ใจที่ประกอบด้วยวิชาตัณหาเนี่ยคือก่อนทุกข์ เสรแล้วมันก็เป็นระบบเป็นระบบขขามันมันทางานตัณหาใหม่เกิดไปบวกไปเพิ่มเติมกับตัณหาเก่าตัณหาใหม่เกิดบวกเพิ่มเติมกับตัณหาเก่าใหม่บวกเก่าเก่าบวกใหม่ใหม่บวกเก่าเก่าบวกใหม่วิธีเราจะหยุดมันต้องหยุดไม่ให้ตัณหาใหม่เกิดเอาอะไรมาหยุดสติธรรมปัญญาธรรมสัมปชัญญะธรรม เพราะฉะนั้นการเจริญแบบมหาสิริฐานมันจึงครอบครอบคลุมไปหมดเลเจ้าท่านจึงทรงเที่ยงมกากอกรอยเช้าเท้าช้างใหญ่ที่สุดกว่ามรรดารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่โปรทรงอวันิมตรมันเป็นการตรัสคลุมข้อปฏิบัติแนวปฏิบัติสมถะวิปัสนาหมดทุกอย่างทุกเรื่องที่โปรทรงตรัสรวมมาที่สติ จุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางรวมมาที่สติจุดทำ ง, งานตล่อมหลอมรวมมาที่เวทนาเวทนาเป็นศูนย์รวมถ้าไม่เกิดความเย็นดีก็เปลี่ยนตรงนั้นถ้าไม่เกิดความเยินร้ายก็เปลี่ยนตรงนั้นทําให้เกิดจักตะวันรู้ก็อยู่ตรงนั้นอยู่จุดนั้น สักแต่ว่ารู้นี่แหลที่ท่านทําให้เราประกอบให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นสักแต่รู้นี่อัตตาตัวตนมันไม่โผล่อัตตาตัวตนมันมันไม่โผล่เพราะอะไรเพราะตัณหามันไม่โผล่มันโผล่มาไม่ได้โผล่มามันก็ถูกสติปัดลงไปโผล่บาถูกสติมีสติเป็นกัรชนมีสติมีปัญญามีสมาธิเราเจริญสมาธิ สลับเปลี่ยนจะเดินวิปัสนาวิปัสนาคือตัวสติมาสตินั่นตัวนี้แหละท่านแย้พูดเฉยเฉสติอสมรรถะวิปัสนาแยกพูดเฉยเฉยดูเวลามันเกิดที่จิตอะไรเกิดคอยมันเกิดอะไรเกิดคอมันเกิดจะงกแนบแน่นอยู่กับอารมณ์เดียวก็มันเกิดเพราะมันมีพลัง มันเป็นตัวไปเสริมเสริมสติของเราให้แข็งแรงยิ่งขึ้นตัวสมาธิจิตนิ่งจิตตั้งมัน่นจิตแนบแน่นจิตเป็นสมาธิมันเสริมเสริมสติของเราให้แนบแนบ่นมั่นคงให้ฉับให้ไวให้แหลมให้คมมันสะท้อนไปที่สติมันสะท้อนไปที่ปัญญามันสะท้อนที่มันสะท้อนไปที่วิริยะอุตสาหะ ความอดความทนความาเคร่องเรื้อเครื่องตัวมันสะท้อนไปที่สะท้อนไปที่สัมมาวายามะคือความพยายามงานเฉพาะหน้าที่เอามาจับมาใส่ตรงนี้คือวายามะสัมมาวายามะสัมมาวายมะสัมมาวายมะคือพยายามชอบพยายามชอบอยากยาชอบเราดูที่เราสวดเราสวดสัมมาวายาม สัมมาติสัมมาสมาธิสมัสมมา ว, วายาสมัมมาวายามะแปลว่าเพียรชอบเพียรชอบความเพียรที่ชอบมันเป็นความเพียรที่ตั้งความสันบนระหว่างไม่ให้ตัณหาเกิดสันบอนระหว่างปิดกั้นไม่ให้ตัณหาเกิดอกุศลที่ยังไม่เกิดมันก็จะไม่เกิดนึกเมื่ออกุศลไม่เกิด กุศลมันพร้อมที่จะเจริญปิดกันสังวรประทานอกุศลไม่เกิดอกุศลที่เกิดแล้วท่านให้พยายามละประหานประทานกุศลที่ยังไม่เกิดท่านให้ภาวนาเกิดกุศลที่เกิดแล้วเจริญแล้วมีแล้วาให้รักษาไว์อนุรักษณาประทานเราทำบทุตรใดบุนมันถึงกันหมดจะภาวนาประทานอย่างเดียวเพื่อให้จิตสงบ ภาวนาประานอย่างเดียวเพื่อให้สติเรารอบคอบแน่นหนามันคงผลรายได้คืเภาวนาวก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผลที่เป็นส่วนของมรรคมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นส่วนที่เป็นสมุทัยก็ถูกล ด, ล, ดลงลดลงลดลงลดลงลดลงยิ่งรู้เท่าทางมากน้อยเท่าไหร่ไอตัวสมุทัยมันก็เร่าร้อนเพราะเวลามันเกิดมันก็เกิดในจิตดนนี้ พอจินตรงนี้เริ่มฉลาดตัวมันเองมันก็เริ่มเร่าร้อนพลิกแผลแสดงกลอุบายกิริยามาอย่างไรแน่ทางนี้รู้ทันแสดงกลแสดงอุบายมาอย่างไงทําให้เราอทําให้เราหลวมตัวโดยด้วยกลโดยอุบายอย่างใดวิธีใดเรารู้ทันเรารู้ทันในสุดมันก็ยุบย่อไปอีกมันก็เริ่มหมดเรี่ยงหมดแรงหมดกําลังไปอีกเนี่ย พรอเรารู้เท่ารู้ทันตั้หาใหม่สะ ส, สมตัวไม่ได้โผล่ขึ้นมาแล้วตกโผล่ขึ้นมาแล้วตกพรล่ขึ้นมาแล้วก็ตกเราเจริญวิธีนี้เราจะเห็นเราจะเห็นว่ามันโผล่มาแล้วมันดับจริงๆโผล่ขึ้นมาแลมันดับจริงๆเพราะเราทันมันสติเราดีสมรชัญญาเราดีปัญญาเราดีวัฏพากความเพียรตล้อมล้อมรวมกันเป็นปัญญารู้เท่ารู้ทัน นี่เราทาไปเป็นแบบฝึกแบบซ้อมฝึกซ้อมไปปัญญาก็จะเพิ่มพูนขึ้นสติก็จะเพิ่มพูนขึ้นวิริยโาาวุวาความภาคความเพียรของเราจะเพิ่มพูนขึ้นจเจริญเต็มที่เกิดปัญญาญาญยังรู้นั้นยังรู้นี้ทันนั้นทันนี้มันมีกำลัง ม, มีเรี่ยวแรงสมุ ท, ทัยพุทาสนสมุทยัย สมไทยมันก่อตัวได้ทุกกิริยาการหกสิบกว่ากิริยาการของกายของจิตมันพร้อมที่จะสวงรอยมาหมดโอ้ทำไมหลายช่องหลายรูทำไมเราจะเอาอยู่จ่อมาที่จิตดวงเดียวอยู่หมัดทั้งหมดมันแทรเข้ามาที่วิญญาณหกผัสศักหกเวทนาทหกมันพร้อมที่จะแทรกเข้ามาสัญญาล่งเข้าไปได้ที่ใจสัญญาหก ความคิดถึงสัญจตนาหกตันหาหวิตกหวิจารณหกวิตกก็คือความตรึกนึกคิดในใจของเขาวิจารก็คือความตรองประคองนะถ้าเป็นเรื่องของตันหามันเกิดวิตกตรึกถึงเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเปียรวิจารณ์มันกรตรองประคองวิตตกหวิจารณ์หกพุทธ่าก็ทรงแสดงละเอียดมากรวมไปแล้วหก 10หมวดเป็นธรรมะสิบหมวดหกสิบเป็นหกสิบหกสิบช่อหกสิบเรามาศึกษาตรงนี้เราโอ้ที่มันเกิดมันเกิดเกิดตรงนี้มันตั้งอยู่มันตั้งอยู่ตรงนี้มันจะดับจะจะดับตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงไหนก็ต้องวิตกถึงรูปวิตกถึงเสียงวิตกถึงกลิ่นถึงรสถึงสัมผัสถึงธรรมาตรม มันแทรกเข้ามาตรงนี้มันเกิดตรงนี้มันตั้งอยู่ตรงนี้วิจารคือตรองคือประคองพราตัณหามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยด้วยความเยื่อใหญ่ในอารมณ์เหล่านั้นมันก็ประคองวิจารวิจารเป็นประคองประคองอะไรประคองรูปที่เกิดขึ้นมาเป็นเหตุให้จิตได้วิจารณตรองประคองเป็นปลุกเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสมันเป็นสัญญาที่ตกถึกไปที่ใจของเรา มันมีอยู่ในใจของเรากิริยาการทั้งหมดน่ะมันมีอยู่ในใจของเราทั้งผู้ละเอียดมากหกสิบกว่ช่องหกสิบกว่ า, าทั้งสมุทรไทยทั้งนิโรนิโรคือความดับเพราะมันดับมันคือมันดับตามนี้แหละมันเกิดที่ตาหูจมูกที่กายใจมันก็นดับดับที่ตาที่หูที่จมูกที่ลที่ฝ่าที่ใจเพื่อนำทางานช่องใดช่องหนึ่งไม่ใช่โผล่ขึ้นมาทั้งหกสิบไม่ใช่ อย่าลืมว่าเราที่มันชัดที่สุดในใจของเราเกิดขึ้ น, นครั้งละหนึ่งอารมจะเป็นเรื่องของมิตกวิจารณ์จะเป็นเรื่องของตัณหาสอบของสัเจนตนาจะเป็นเรื่องของอะไรที่กระดุ ก, กระดิพกพลิกแผ่ออกมาที่จิตของเราเกิดขึ้นเกิดขึ้นชัดเจนอย่างละหนึ่งอันเพราะฉะนั้นเรามัดไปที่จิตของเราจ่อไปที่จิตของเราตั้งสติความดุจอ จ, จอโรออยู่เฉพาะหน้าทุกช่องทุกรูอย่างอื่นปิดกั้นทั้งหมด ถือวิดกั้นทั้งหมดสังรวมตาสังรวมหูสํารวมตาสังรวมรูปก็คือสํารวมใจสํารวมหูก็คือสํารวมหูสํารวมเสียงก็คือสํารวมใจสํารวมจมูกสํารวมกลิ่นก็คือสํารวมใจสํารวมลิ้นสํารวมร็ก็คือสํารวมใจจอประชิใจก็อยู่สํารวมตาไม่ให้ทำแต่แทนตาให้บ่ดไม่ให้ สำรวหูทำหูให้หนวกไม่ใช่จอไปที่ใจมันก็เป็นการสรวปสำรวตาใจมีคนควบคุมมีผู้ควบคุมมีผู้ดูแลหูมีผู้ควบคุมมีผู้ดูเลยมันไม่ดื้อไม่ได้มันไม่มีแรงพอที่จะผลักดันเอาไปใช้อย่างง่ายดายอย่างสะดวกสบายแล้วต่อสู้กันอย่างนี้นี่เป็นทางตรม เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงอันิสงเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าคนนั้นหมดอุปทิได้เป็นพระหันเขาอุปธิคือที่เกิดคือหมดพวกหมดชาติถ้าหมดอุปธิคือได้เป็นพระหันถ้ายังมีอุปธิอยู่อย่างช้าได้ผลภายในเจ็ดวันเอ้ยเจ็ดปีอย่างเร็วที่สุด ได้ผลภายในเจ็ดวันยังตดำที่สุดได้เป็นโสตบันสูงที่สุดได้เป็นพระอนาคาม น, นี่หมายว่ายังมีอุกฤษีอยู่ยังมีภพยังมีชาติอยู่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจะเป็นเจ็ดวันจะเป็นเจ็เดือนจะเป็นเจ็ดปีก็ตามหมายความว่า การทางานจอติดต so ่อกันอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ขยับไม่เปิดช่องให้มาเลยปิดตลอดทําอย่างต่อเนื่องไม่เปิดช่องไม่เปิดรูไม่นถ้าเปิดช่องเปิดรูหมายความว่าเราอยู่ในความภักความเปลียนทำให้เกิดช่องทําให้เปิดรูตั้หามก็แทกเข้าไปตรงนั้นเลยแทรกเข้าไปตรงรูตรงนั้นแหละตรงรูตรงช่องว่างช่องโงนั้นนหะ ความระมัดระวังไม่พอสำรวมระวังไม่พอ น, มมนี่เห็นมนี่เห็นความสําคัญของมหาสติของสติแต่ถ้าเป็นมหาสติเหมือนอย่างที่ลงตาท่าเรียกมหาสติในปฏิปทาของท่านน่ะท่านหมายถึงมหาสติมหาปัญญาที่มันหมุนอยู่ขั้นสุดท้ายหมุนเองโดยอัตโนมัติตอนใช้คาว่าปัญญาอัตโนมัติ มหาสติที่เราพูดในที่นี้หมายถึงมหาสติปัฏฐานที่ท่านสอนเอาอารมณ์ทั้งสี่มาให้พวกเราศึกษาอารมณ์กายอารมณ์เวทนาอารมณ์จิตอารมณ์ธรรมทัำบทได้บทหนึ่งถึงกันหมดพิจารณากายก็คือเอาจิตมาพิจารณาในกายก็มีเวทนาตกผึกไปที่ใจก็เป็นธรรมมาอารมณมันกระเทือนถึงกันหมด พิจารณากายก็ถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมจะพิจารณาเวทนาตามูปเวทนาก็ถึงกายถึงจิตถึงธรรมจะพิจารณาจิตก็ถึงกายถึงเวทนาถึงธรรมจะพิจารณาบทธรรมเช่นอย่างอริยสัจทั้งสี่เป็นบทธรรมมันก็ถึงกายถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมมันถึงกันหมดทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะผู้ทํางานคือจิตลงเดียว เราอย่าลืมหลักอย่าลืมหลักอย่าทิ้งหลักจิตดวงเดียวสำคัญที่สุดพยายามเอาให้อยู่พยายามตามให้ทันพยายามเอาให้อยู่ น, นี่เป็นข้อปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติไปดูคำแปลที่เราสวดสวดแล้วเราก็ไปดูคาแปลเราทิ้งไม่ได้นะทิ้งยังไม่หดนะ มืออันนี้แหละเป็นกลยุทหมายปลายทางครัวไว้ตลองเอาไว้เป็นเส้นทางที่มัดเราเอาไว้เราไม่ทิ้งอันนี้เป็นหลักเป็นหลักที่ใหญ่มากทิ้งไม่ได้ครูบาจารย์ท่านหนึ่งามาเล่าให้ฟังำนนกำหนดปัจิตลงเงียบมิตรหายเงียบถ้ากําหนดนจิตจิตมิตรหายเงียบลงเข้าสู่สมาธิหาเงียบ เราและเราเป็นเหมือนท่านหรอเปเราไม่เป็นเหมือนท่านถ้าหากเรามาเทียบเคียงเรื่องเหล่านี้แล้วเรากระท้อใจอ เ, รเราไม่มีบุญเราไม่มีวาสนาเราก็ทอ้อทิ้งแหละท้อทิ้งแ ล, งแล้เอาเวลาไปทิ้งแหะทีเนี่ยเอาข้อปฏิบัติไปทิ้งมันไม่มีกาลังใจวิธีที่ชัดที่ตรงแนววิธีนี้แหละ ว, วิธีนี้แหละ การสติในขณะปัจจุบันเพราะทำงานทางานมากทำงานน้อยทางานหนักทำงานเบาสามารถเจริญกรรมฐานบวท น, นี้ได้ท่านสอนท่านสอนคราวา่าเพราะคราวา่าชอบอ้างไมนมีเวลาโมเดลทำอหากินนี่ท่านสอนให้เอาสติไปกำกับ ทำงานทำการอะไรให้อยู่กับงานการอันนั้นอันเดียวเช่นอย่างล้างจานก็อยู่กับความรู้สึกล้างจานไม่ใช่ศักดา์สิทธิ์ว่ า, ามือก็ล้างไปจิตนึกคิดปรุงแต่งรักชังเช่ายินดียินร้ายไม่ใช่ไม่ใช่ใจทำไปกายมือก็ทาไปใจก็ปรุงไปเพราะมันคร่องนี้ แค่ล hey, ้างตัวล้างจาน่มันคล่องใจก็ปล่อยล่องลอยไปปรุงอะไรไม่รู้บางทีก็ซุกยุ่มๆยิ้มๆนิดๆหน่อยๆบางทีก็ทุกจะเป็นจะตายโอ้โหนี่ก็เราไปหาทุกอที่จะมังเอิญไปเจอสุขกมีน้อยมีแต่ทุกโดยเหตุที่เราไม่มีสติไม่ได้เจริญสติกำกับรู้เลยนั่นแหละเราจึงประสบ ทุกอยู่เนืเมืองตัณหาไม่แสดงมาแท่ออกมาอย่าลืมว่าตัณหามันโผล่มาที่ใจของเราเมื่อไรอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาเพราะว่าความถือเนื้อถือตัวความถือเนื้อถือตัวถือยิ่งถือหย่อนถือเนื้อถือตัวถือยิ่งถือหย่อนบุตดีกว่านะกุเก่งกว่าูรวยกว่า กูมีศักดิ์ศรีกว่าอุธรรมะกินคล่องกว่าสารพัดแล้วมันจะพานึกกว่าคิดอัจตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาเราเราเราเราโผล่ขึ้นมาพิจารณาตามหลักมารสถานี่ตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ไม่เปล่อยโอกาสให้มันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ยิ่งมาปะทะกันในขณะที่เราจอด้วยแล้วนอู้รา ราบเปหน้ากลองไปเลยแฝเอเป็นอาหาราน้อยๆ <c oughs> นะใครจะพบใจเจอคนนั้นต้องพยายามกําหนดจดจอพิจารนามามาได้ทั้งความสงบจะรู้ืมว่าความสงบมันขนุนปัญญาปัญญาขนุนความสงบเราทําอยู่อย่างนี้ไม่เบือ่อไม่หน่ายไม่คลายไม่จางปฏิบัติให้มีความก้าวหน้า สมถะพร้อมจะเกิดวิปัสนาพร้อมจะเกิดแล้วก็เป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานเพื่อก้าวไปสู่ปัญญาญาณวิปาาัสนาญาณเป็นความรู้ที่ละเอียดตัดสินใจได้ขั้นนั้นขั้นนี้ข้อนั้นข้อนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้หมดข้องใจหมดสงสัยหมด อะไรตัวอะไรมีสิ่งนี้เป็นปูพื้นปัญญาพื้นพื้นขัดเหมือนอย่างเราขัดไฟขัดไม้เกิดไฟขัดขัดขัดัดขัดให้เกิดความร้อนปัญญาญที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับเปลวไฟที่เราสีไปแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นเปลวไฟตราบสีไม่ถึงเปลวมันก็ไปขึ้น แสดงลักษณะความเป็นไฟให้ปรากฏเป็นควันปรากฏเป็นเขมาปรากฏแม้แต่ทานแดงๆปรากฏแล้วเปลวยังไม่ขึ้นก็ยังใช้ไม่ได้ขออ ย, ายากอยู่นั้นน่ะเหมือนเราเอาปากเป่าให้เกิดประกายเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้ไฟใชนที่เราทำเราทำแล้วไม่เกิดเป็นเปลวไหมเพราะว่าเราทำไม่ถึงทำแล้วไม่เกิดเป็นเปลว เมื่อเราสีไฟไม่ถึงโอกันที่จะเป็นเปลวขึ้นมามันก็เป็นไม่ได้นี่เป็นอุปมาณนะพุทธิยักษทรงตรานะหมายความหย่อนยาณของเรา่ะเราทําไม่ถึงเราทําไม่ได้ทูทูทูทูทูทูประโยชน์ทททูทูทูทูทูประโยชน์ทูทูทูประโยชน์แต่ถ้าทูย่างต่อเนื่องมันจะหนักหน้าก็ไปเรื่อยหนักหน้าก็ไปเรื่อย จะ ร, ร้อนสะสมไปเรื่อยสะสมจนเปลอเป็นเปลวเป็นเปลวไฟขึ้นมาอุปมาถึข้อปฏิบัติข้างเราเราทำขนาดนั้นผลที่จะเกิดแต่ว่าผลทั้งหลายนั้นนะ่ะมันเกิดตามที่เราทำํำทำมานุษยธรรมปฏิปฏิปนนโอติย่อมเกิดขึ้นย่อมมีขึ้นตามที่เราทําทําได้ ทำได้อย่างมันก็ได้อยาวทำได้ละเอียดละเอียดทำได้นานทำได้มากมันก็ได้มากมันก็สะสมไปเรื mm ่อยเฮไม่ทิ้งผลเหตุ hey, ที่เราลงมาลงเอาไม่ทิ้งผล mm hmm. ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นเปลวมันก็เป็นเหตุสังสมจริตนิสัยอัธยาศัยเราไม่ไม่ปฏิเสธว่าผลจะไม่เกิดนั่เมื่อเราลงมือทําสิ่งใดลงไปแล้ว มันเป็นการลงมือสร้างเหตุผลย่อมตามมามากน้อยตามเหตุที่เราทำไม่มีปฏิเสธแม้แต่เราเอาม้สดๆไปถูถูไม่หยุดมันก็ตล อ, อกเปลเปิดได้เหมือนกันไอต้ตรงที่สล อ, ปอกปลาเปิดมันถูกการเสียดสีเป็นเป็นฝายมันก็เริ่มเือมันก็เริ่มแห้งืแต่มันจะเป็นเปลวติดเพิบขึ้นมาเลยเปัญญาต้องอาศัยการสะสม ทีนี้ท่านพูดถึงไม้ไม้แห้งไม้แห้งไม้แห้งหมายถึงจิตของเรามันสำรอกกลางผู้มีกายออกจากกลามผู้มีจิตออกจากกลามจิตไม่นึก ไ, ไม่คิดไม่ปรุงเรื่องกลามท่านเปรียบเสมือนไม้แห้งมันเหมาะที่จะขัดสีแล้วจะเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้ได้ไฟใช้แต่ถ้าเป็นเอาไม้สดไปถูเนี่ย พระองค์ทรตรัสว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าโอกาสที่จะเป็นเปลวไฟขึ้นมามันเป็นไม่ได้คือพระพุทธ้าท่านรตรัสเองอุประมาณี้เกิดขึ้นกับพระองค์เองก่อนพระองค์ตรัสรู้มไม่กี่วันอุปมาอุปมานี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเอาไม้แห้งไปสีเกิดไฟมีโอกาสที่จะเป็นไฟเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้จิตแห้งของเรามหมายคว่าจิตมันสำรอกกา จิตมันที่อารมณ์กามอารมณ์กลามก็คืออารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นผินเป็นรสสิ่งเหล่านี้จะเรียกอารมณ์กลามพวกเราทั้งหลายหมกอยู่ในขี้ตมขี้โคลนคืออารมณ์กลามจะเป็นไม้กับไม้สดชุ่มระยาแำระยั ง, ะยงบริโภคกางอย่คือแช่อยู่ในน้ําอีกแช่อยู่ในน้ำํำมาถึงบริโภคกาง <c oughs> <c oughs> นะ สดด้วยชุม่ม้ะยางมันเปียกสอดด้วยชุม่มระยางแล้วยังไม่พอยังต้อไปแช่ในน้ำไปเสริมให้มันอยู่เรื่อยเสริมให้มันอยู่เรื่อยเสริมวรความเปียกแฉะเสริมอยู่เรื่อยเสริมอยู่เรื่อยเอาไปเสียเกิดไฟเรามาพิจารณาดูแล้วมันก็ํามู๊ข้อเท็จจริงที่พระองค์ตรัสที่เราตั้งใจภาวนาพินานจารณาก็จะ จะเป็นไปหมายความว่าจิตทิ้งอารมณ์กรรมไปพิจารณาถึงจะเป็นไปถ<ง uş><ง uş>้าแนวเข้าแถวเข้าคลอเข้ารีบของข้อปฏิบัติของแนวปฏิบัติถึงกระนก็ตามทำทำทำทำแลก็หยุดเหมือนอ ย, นอยาว่าน ท, ทำทำทำทำแล้วก็หยุดความเพียรไม่ถึงแม้จะเอาไม้แห้งแล็ววาตามความเพียรไม่ถึงไฟก็ไม่เกิด เพรา น, นรานความสําคัญของความสงบของใจความสงบของใจมันตัดมันตัดอารมณ์กรมมันไม่หลงไมทึ่งขึ้ น, นอาไปกเรื่องการการมมันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องกามรมราคะอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอะไรต่ออะไรเลยทีกี่ยวกับเรื่องเหลนะ่านั้นนั่นคืออารมณ์กรรม เพราะฉะนั้นท่ให้ภาวนาให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธพุทโธมันไม่คิดถึงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องปริ่มเรื่องร้านเรื่องสัมผัสเรื่องราวสารพัดที่เป็นสัญญาอารมณ์ตกไปหมดจิตอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ที่เป็นธรรมแน่จิตอยู่กับอารมณ์เดียวนั่นแหะคือจิตทิ้งอารมณ์กลางอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์ที่เป็นธรรมไอจิตที่เป็นธรรมที่สงุนั่นแหละพระพิจารา พอจะถ ล, ะลอกเปาะเปิดพอจะจะเป็นสัญลักษณ์ไฟปรากฏหมอกถ้าไม่เรามีเรียเร่ยวมีมีกิจกระจายที่จะขย่าไปเอาจนเอาไป เ, เ, เอาตายเข้าใส่กว่าเปลงไฟจะทบขึ้นมาไม่เปลวไฟเป็นไฟใช้อุปม า, านี้ทำให้เรามาเทียบเคียงกับความภาคความเพียรที่เราทํากันเราทําแค่ไหนขั้นไหนระดับไหน คนกเพียกร้องโอ้นั่งจะเป็นจะตายไม่เห็นได้แน่นั่งเปล่านะหรือเปล่ามาลูกคิดนึกถึงเรื่องกลามนึกนั่งเสริมให้มันเอาไปแช่ในน้ำเหมือนกับไปเสริมมันทําที่ไหนมัเกิดก็เกิดแค่นั้นนหะเปันญาใสขำเคลิ้มบ้างอินบอกอินใจบ้านโอ้ดีบอกดีใจแน่มันช่วยทําให้ ก็ต้นให้เรามีความเย็นดีมีความพ่อยใจมันก็เป็นเหตุเสริมมักขึ้นมาเรารู้ขีดขั้นรู้ขอบเขตเราก็ต้องตั้งใจทาเพื่อประโยชน์เพื่อความผาสุขสาหรับเราสาหรับท่นนานทุกคนความเป็นอยู่ก็เป็นอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นผาสุขความหวังที่จะพึงได้หาได้ทำมันก็มีขจิตเรียนใจที่จะได้ มีกินวัตรใจที่จ ะ, จะอยาอยากทําความหมองเห็นสความสาคัญอยู่เรื่องการรู้ทําเข้าใจทำเห็นทำมันก็ให้ความหมายให้ความสําคัญอยู่อย่ากประยิมยิ้มย่อง ม, ม, ม, ม, มีความฝังมันไม่มีมันไม่จบ <c oughs> ที่ทําแล้วไม่มีความบังพระอราหารนันต์ท่านแหละที่ท่านทาแล้วท่านไม่หวังเ ร, ราพูดดีช่วยเราทำอะไรมันบังทั้นนั้นแหะ บางคนก็ไปเย้ยกันเอ้ยให้ทานนึกว่าหวังหวังจะได้โน้นหวังจะได้นี้มันจะเป็นบุญเรือมันไม่เป็นบุญพ้ะอรหันต์ท้าทนอ่ะที่ท่านไม่ไม่หวังผู้ทุชนนี่หวังทั้งนั้นแหละเอามาพูดของเราซื้อ อ, อวดพูดอ้อางเฉยเฮ้ยทำแล้วหวังหวังจะได้โุ้นหวังจะได้นี้นจะได้บุญหรือไปทําด้วยความหวังนี่ ทำด้วยใจไม่บริสุทธิ์นี่พระอรหันต์ทั้นนั้นท่านใจบริสุทธิ์ท่านไม่หวังไม่หวังจริงๆเคยมีคนพูดเราก็ใส่เลยแหละโอ้ยเราไม่เชื่อคนที่เชื่อได้มีพระอรหันต์องค์เยอะแล้วนะที่เป็นอย่างนั้นได้นอกนั้นไม่เชื่อ อ่าพอสมควรแก่เวลา